ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เป็นไข้ 359. สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุมีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้กล่าวกับภิกษุทั้งทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เป็นไข้ 359. สสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้กล่าวกับภิกษุ เป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุผู้เป็นไข้ตอบว่าเมื่อก่อนยังไม่ถึงครึ่งเดือนพวกกระผมอาบน้ํากันได้ดังนั้นจึงมีความผาสุกแต่เดี๋ยวนี้พวกกระผมมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้จึงไม่ได้อาบน้ําดังนั้นจึงไม่มีความผาสุกพิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้าอาบน้ําได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้